จเจริญพรท่านผู้มีอิจิตศรัทธามีความเรื่องใสในพระพุทธศาสนาทุกๆท่านวันนี้เป็นวันอาทิตย์ที่27มกราคมพุทธศักราช2556เป็นวันที่ท่านทวายได้ตั้งใจมาวัดเพื่อนำเพื่อทาหน้าที่ ของพุทธศาสนิกชนด้วยการทำบุญใส่บาถวายสังฆทานรักษาศีลฟังเทศน์ฟังธรรมเพราะเป็นสิ่งที่จะทำให้เราได้รับประโยชน์จากพระพุทธศาสนาก็คือความสุขความเจริญและความ ดับของความชุกไปตามลำดับจนหมดสิ้นไปการที่เราจะเป็นชาวพุทธ น, นั้นไม่ได้เป็นเพราะว่าบิาดามารดาเขารักนับถือพระพุทธศาสนาแต่อยู่ที่ว่าเราได้สร้างคุณธรรมคุณสมบัติของพุทธศาสนิจีกิดกระชน ขึ้นมาหรือไม่ถ้าเรามีคุณสมบัติที่พระเจ้าทรงบัญญัติไว้สี่ประการก็ถือว่าเราเป็นชาวพุทธที่แท้จริงไม่ได้เป็นเพียงแต่ชาวพุทธในทะเบียนบ้างอย่างที่เป็นกันอยู่เป็นส่วนใหญ่เป็นพุทธแต่ไม่ได้ทาตามไม่มีคุณสมบัติของชาวพุทธคือ ไม่มีศรัทธาไม่มีจาคไม่มีศีลไม่มีปัญญาเจ้าพุทธนั้นจะต้องมีศรัทธาคือมีความเชื่อในพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ต้องมีจารัก็คือการเสียสละเสียสละประโยชน์ของตนประโยชน์รสขของตนให้แก่ผู้อื่น แบ่งปันประโยชน์สุขของตนให้แก่ผู้อื่นแล้วก็ต้องมีสีคือไม่เบียดเบียนไม่ทำบาปไม่สร้างความเดือดร้อนให้แก่ผู้อื่ น, นตนเองะสีต้องมีปัญญามีสัมมาทิฏฐิมีความเห็นชอบ <c oughs> เห็นว่าชีวิตของเรานี้ไม่ได้สิ้นไปตอนที่ร่างกายนี้ตายไป ชีวิตของเรายังเดินต่อไปเพราะชีวิตของเราไม่ได้อยู่ที่ร่างกายอยู่ที่จิตใจที่ไม่มีวันตายพอร่างกายนี้ตายไปเราก็ต้องไปเดินทางต่อไปดําเนินชีวิตของเราต่อไปด้วยด้วยการไปรับใช้ผลบุญหน้าผลบาปที่เรา ได้ทำการเอาไว้ในชาตินี้และในชาติที่ผ่านมาที่ยังไม่ได้ส่งผลนี่คือคุณสมบัติสี่ประการที่พุทธศาสนิกชนควรเพิ่งมีอยู่ภายในใจอยู่เสมอคือศรัทธาความเชื่อในพระพุทธพธรรมพรสมก็คือให้เราเชื่อ คำสอนของพระพุทธเจ้าเชื่อคำสอนของพระอริยสงฆ์สาวกทั้งหลายที่สอนให้เราเชื่อในกฎแห่งกรรมคือทำดีได้ดีทำชั่วได้ชั่วเมื่อทำไปแล้วก็ไม่สามารถที่จะไปแก้ไปลบล้างกรรมที่ทำไปแล้วมีแต่จะต้องรอ ให้กรรมนั้นส่งผลเท่านั้นเวลาส่งผลไม่ว่าจะดีหรือไม่ดีก็ต้องใช้ปัญญาพิจารณาว่ามันเป็นเรื่องของบุญของบาปที่เราทำมาถ้าเราประสบกับความทุกข์ความเดือดร้อนความเสื่อมเสียก็ขอให้เราคิดว่าเป็นผลของบาปที่เราทำมาถ้าเราประสบกับ ความสุขความเจริญเราก็ให้คิดว่าเป็นผลบุญของเราที่เราทำมาถ้าเรามีความเชื่ออย่างนี้เราจะได้ไม่หวั่นไหวเวลาที่เราทําบุญทําความดีแต่เรากลับได้รับผลไม่ดีเพราะว่าผลที่ไม่ดีนั้นไม่ได้เป็นผลที่เกิดจากการทําความดี ในขณะนั้นแต่เป็นผลที่เกิดจากทำบาปในอดีตที่ผ่านมาเช่นเดียวกันกับเวลาที่เราทำบาปเราก็อยากไปหลงระเริงเวลาเราทำบาปแล้วเรากลับได้ด็บได้ดีอันนี้ก็เป็นเพราะว่ามันไม่ได้เป็นผลของบาปที่เราทำในปัจจุบันแต่เป็นผลของบุญที่เราทำมาในอดีต มาส่งผลในปัจจุบันนี้จึงทําให้เห็นว่าทําบาป ก, ก็กลับได้ดิบได้ดีทําบุญกลับไม่ได้ดิบไม่ได้ดีอันนี้เป็นความเข้าใจผิดเพราะผลของบุญของบาสนั้นอาจจะใช้เวลาต่างกันบาปบางชนิดก็บาปบุญบางชนิดก็ส่งผลเร็วบาปบุญบางชนิดก็ส่งผลชา้า ดังนั้นอย่าไปจับแพะชนแกะอย่าไปคิดว่าทาบาปแล้วได้ดีได้ดีหรือทาบุญแล้วกับต้องรับความทุกความเสื่อมเสียต่างๆอันนี้ไม่ได้เป็นเหตุเป็นผลที่แท้จริงเหตุผลที่แท้จริงก็คือทำดีต้องได้ดีทำชั่วต้องได้ชั่วขอให้เรามีความแน่วแ น, วแน่ต่อกฎแห่งกรรม แล้วเราจะได้ไม่ต้องไปหาที่พึ่งทางอื่นไม่ต้องไปหาหนอดูไม่ต้องไปทาพิธีกรรมสะเดาะเคราะห์ต่างๆทาไปก็เท่านั้นถ้าได้ผลก็เป็นเป็นการบังเอิญมากกว่าเพราะว่าเป็นจังหวะที่ผลดีกำลังจะส่งผลพอดีพอเราไปทำการสะเดาะเคราะห์ก็เกิดผลดีขึ้นมา เราก็เลยคิดว่านี่เป็นการสะเดาะเคราะห์เป็นผลของการสะเดาะเคราะห์ถ้ามันดีจริงก็ต้องสะเดาะเคราะห์ทุกครั้งมันก็ต้องได้ผลทุกครั้งถ้าสะเดาะเคราะห์สิบครั้งแล้วได้ผลสิบครั้งอันนี้ก็ก็เชื่อได้ว่าเป็นความจริงแต่ถ้าเวลาสะเดาะเคราะห์แล้วบางทีก็ได้บางทีก็ไม่ได้ อันนี้ก็แสดงว่ามันไม่ได้เป็นเหตุของการทําให้เกิดผลที่เราต้องการแต่เรื่องของกรรมนี้พระพุทธเจ้าได้ทรงพิสูจน์มาแล้วและมีความเห็นชัดว่ามันเป็นเหตุและผลจริงๆผลที่เราจะสัมผัสรับรู้ได้ทันทีในปัจจุบันทันด่วน ก็ผลที่เกิดขึ้นภายในใจของเราถ้าเราทำความดีแล้วใจของเราจะมีความสุขถ้าเราทำบาปใจของเราจะมีความทุกข์อันนี้เป็นผลที่แท้จริงของการทำบุญและทำบาปถ้าเราอยากจะดูผลของบุญและของบาปขอให้เราดูที่ใจของเราดูที่ความรู้สึก ของเราว่าเรารู้สึกดีหรือรู้สึกไม่ดีเวลาเราทำบุญถ้าเรารู้สึกไม่ดีก็เป็นเพราะว่าเราทำด้วยความไม่ไม่ยินยอมทำเพราะถูกบังคับให้ทำอย่างนั้นก็จะไม่ได้ผลเช่นเราทำบุญเพราะมีคนเข้ามาเรียลัยเราทำไปเพราะความเกลดใจคนที่เข้ามาเรียลัย เราไม่ได้ทำด้วยจิตใจที่ตั้งใจอยากจะทำอยากที่จะเสียสละอยากที่จะทำประโยชน์ให้แก่ผู้อื่นแต่ทำเพราะความจำใจเพราะความเกรงใจทำอย่างนี้ใจก็ไม่ได้รับความสุขกลับจะเกิดความทุกข์เพราะเกิดความเสียดายในเงินทองที่ต้องทำบุญไปอันนี้ก็ ้องดูที่ใจดูเจตนาลมว่าเราทำด้วยความตั้งใจด้วยความพอใจด้วยความมีความปรารถนาเพื่อให้ผู้อื่นได้รับความสุขจากการกระทำของเราหรือไม่ถ้าเราทำด้วยความสะอาดบริสุทธิ์ใจไม่ต้องทำเพราะเราเก่งใจคนนั้นคนนี้หรือว่าทำแล้วกลัวคนอื่นเขาจะว่าเราตันี บางทีเราทำนี่เพราะพายเขาเห็นคนอื่นเขาทำเราก็ต้องทาตามเขากว่าถ้าเราไม่ทำแล้วเพื่อนคนอื่นเขาจะมองเราว่าเราเป็นคนใจใจบาปไม่ใช่เป็นคนใจบุญถ้าทำด้วยเหตุผลต่างๆเหล่านี้ใจของเราก็จะไม่ได้บุญเพราะไม่ได้ทำด้วยจิตใจที่ปล่อยวางยอมเสียสละ ประโยชน์สุขเพื่อให้แก่ผู้อื่นดังนั้นการทำบุญหรือทำบาปนี้มีผลทันทีเวลาเกิดขึ้นไปภายในใจของเราการทำบาปนี้ก็มีผลที่อาจจะไม่ใช่เป็นผลบาปก็ได้เช่นเราขับรถแล้วมีสุนัขมาตัดหน้าแล้วเราชนสุนัขตายไปเราจะไม่รู้สึก ทุกเลยก็ได้เพราะว่าเราไม่มีเจตนาที่จะไปทําที่จะไปฆ่าสัตว์ไปฆ่าสุนัขแต่ถ้าเรามีเจตนาแลวเราไปทำแล้วพอทําไปแล้วเราจะเกิดความทุกข์ใจต่างาดังนั้นขอให้เราดูที่ใจของเราเป็นหลักว่าเราทําบุญหรือทาบา ถ้าเราทำบุญเราจะมีความสุขใจถ้าเราทำบาปเราจะมีความทุกข์ใจและบุญและบาปคือความสุขและความทุกข์ใจนี้ก็จะสะสมอยู่ในใจของเราพอเวลาที่ร่างกายนี้แตกหับไปบุญและบาปนี้ก็จะมาบวกลบคูณหารกันถ้าบุญมีปริมาณมากกว่า บุญก็จะเป็นผู้พาเราไปสู่สุคติไปเป็นเทพเป็นพรมเป็นพระอาริยเจ้าถ้าบาปมีกำลังมากกว่าบาปก็จะเด่งให้เราไปเป็นเดรัจฉานเป็นเปรตไปตกนรกนี่คือกฎแห่งกรรมที่มีผลทั้งในปัจจุบันและในอนาคต ดัง น, นั้นไม่ต้องวิตกถ้าเราทำความดีทาบุญแล้วไม่ได้ดีไม่ได้ดีไม่ได้เจริญก้าวหน้าในทางลาบยศสรรเสริญอันนี้อย่าไปคิดว่าเราไม่ได้ผลจากการทำบุญเพราะการเจริญทางลาบยศสรรเสริญนี้สามารถเจริญได้ด้วยการทาบุญหรือทาบาปคนที่โกงก็สามารถร่ำรวยได้ มีตำแหน่งสูงได้แต่ไม่ได้หมายความว่าเขาได้ทำบุญผลแในใจเขานี้จะต่างกันคนที่ทำบาปแล้วร่ำรวยเป็นใหญ่เป็นโตแต่ใจของเขานี้จะไม่มีความสุขใจของเขาจะมีแต่ความรุ่มร้อนมีความทุกข์มีความหวาดระแวงหวาดกลัวกลัวที่จะต้องถูกจับไปลงโทษนั่นเอง ส่วนคนที่ทำบุญแล้วได้รับผลนี้ได้ความเจริญใ น, านลากรสสรเสริญใจของเขาจะไม่ทุกข์ไม่เดือดร้อนและถ้าเขาไม่ได้รับความเจริญทงางลากรสรรเสริญเขาก็ไม่เดือดร้อนอีกเหมือนกันเพราะใจของเขามีความสุขแล้วเวลาทำบุญนี้เราได้รับความสุขที่มีปริมาณหรือมีกำลัง มากกว่าความสุขที่เราได้รับจากการเจริญในลาภนอกสรรเสริญดังนั้นจึงไม่เป็นของแปกที่มีคนที่ทําบุญด้วยการปิดทองหลังพระคือไม่ทําบุญเพื่อเอาหน้าเอาตาเวลาบริจาคเงินสร้างกุฏิสร้างโบสถ์ก็ไม่ต้องติดชื่อติดป้าว่าเป็นเราเป็นผู้กระทํา พราะการติดชื่อนั้นมันก็ไม่ได้ทำให้บุญของเรามีมากขึ้นไปแต่กลับจะมีทำให้มีบุญเราน้อยลงไปเพราะว่าเรายังยึดติดในตัวตนของเราอยู่แล้วถ้าเขาไม่ได้ติดป้ายให้กับเราหรือติดแล้วเขียนชื่อไม่ถูกเราก็จะเกิดความไม่สบายใจขึ้นมาไม่พอใจขึ้นมาดังนั้นเวลาเราทำบุญนั้น เราต้องไม่หวังผลตอบแทนจากใครทั้งนั้นเพราะบุญนี้มีผลตอบแทนอยู่ในตัวของเขาแล้วผลตอบแทนนี้ดีกว่าผลตอบแทนที่เราจะได้รับจากผู้อื่อยังมีคนที่เขาทำบุญด้วยการปิดทองหลังพระทำบุญแบบไม่มีใครรู้เพราะเขาทาแล้วเขามีความสุขแล้วก็ปลอดภัยสำหรับเขาด้วย ไม่ต้องถูกคนกลาหาสันเสริญนินทาและอาจจะเป็นเป้าของมิจฉาชีพได้ถ้าเราทำบุญมากๆมิจฉาชีพทั้งหลายก็จะหาช่องาทางที่จะมาหลอกมาล่อให้เราทำบุญกับเขาก็ได้อันนี้เป็นเรื่องของปัญญาความฉลาด จะทำอะไรนั้นต้องรอบคอต้องพิจารณาว่าทาไปแล้วจะมีผลกระทบอะไรตามมาหรือไม่นี่คือเรื่องของจาคะเรื่องของศรัทธาศรัทธาก็คือให้เราเชื่อในกฎแห่งกรรมเพรานี่คือคำสอนของพระพุทธเจ้าคาสอนพระพุทธเจ้าจะมีมากถึง8ปดหมสี่พันพระธรรมขันธ์ก็ทรงสอนเรื่องของกฎแห่งกรรมทั้งนั้น คือสอนวิธีดับทุกข์สร้างความสุขวิธีสร้างความสุขดับทุกข์ก็คือให้เราทำบุญละบาป <Yeah. S 1> ไม่ต้องไปสนใจกับการาทำนายทายทักของหมอดู <Yeah. S 1> ของหมอเดาทั้งหลาย <Yeah. S 1> ไม่ต้องไปห่วงเรื่องอะไรต่างๆที่จะเกิดขึ้นกับเรา <Yeah. S 1> ถ้าเรา ใส่เสื้อสีนี้มีทรงผมทรงนี้มีชื่อแบบนี้จะทําให้ชีวิตของเราตกต่ำนี้มันไม่ได้เป็นเหตุเหตุที่ทําให้เราตกต่ำก็คือบาปที่เราทํามาทั้งในอดีตแลนะในปัจจุบันแลนะความเจริญของเราก็ไม่ได้อยู่ที่การเปลี่ยนชื่อเปลี่ยนทรงผมเปลี่ยนนามสกุลหรือเปลี่ยนบ้านเปลี่ยนอะไรต่างๆ เหล่านี้ไม่ได้เป็นเหตุที่ทำให้เราสุขและเจริญเหตุที่จะทำให้เราสุขและเราเจริญนั้นก็คือบุญที่เราทำนั่นเองดังนั้นขอให้เรามีศรัทธาความเชื่อมั่นในกฎแห่งกรรมเพราะพระพุทธเจ้าและพระอาหารหันตสาวกทั้งหลายท่านสุขท่านเจริญก็เพราะด้วยการเชื่อเคารบในกฎแห่งกรรม ท่านจึงมีแต่ทำบุญไม่ทำบาปถ้าเราปฏิบัติตามที่พระพุทธเจ้าทรงได้ปฏิบัติมาเราก็จะได้รับความสุขและความเจริญเช่นเดียวกันอันนี้ไม่ว่าจะเป็นในสมัยใดเวลาใดกฎแห่งกรรมนี้ไม่มีวันเปลี่นแปลงกฎแห่งกรรมในสมัยพระพุทธกาล กับกฎแห่งกรรมในสมัยปัจจุบนันนี้ก็เป็นกฎแห่งกรรมอันเดียวกันกฎแห่งกรรมในอนาคตในสมัยของพระศรีอานก็เป็นกฎแห่งกรรมอันเดียวกันกฎแห่งกรรมนี้ท่านเรียกว่าเป็นอาการลิโกไม่มีวันเสือ่อมไปตามการตามเวลาเป็นอย่างไรเป็นอย่างนั้นมาตลอดจะเชื่อหรือไม่เชื่อก็ไม่สำคัญ จะเชื่อแล้วทำตามก็ได้ผลไม่เชื่อแล้วทำก็ได้ผลเช่นเดียวกันจะรู้หรือไม่รู้ก็เช่นเดียวกันถ้าทำแล้วก็ต้องรับผลของกรรมนั้นเช่นผู้ที่ทำบาปโดยไม่รู้ว่าบาปคิดว่าไม่บาปเพราะคิดว่าเป็นอาชีพเช่นผู้ที่ทำมาอาชีพค่าสัตว์หรือค่าสัตว์นี้ ทำไปเพราะคิดว่าไม่บากเพราะเป็นอาชีพเพราะเป็นความจำเป็นจะต้องทำแต่เราทำไปแล้วเวลาตายไปจะต้องไปรับผลผลของผู้ที่ทำบาปเพราะความไม่รู้ก็จะต้องไปเกิดเป็นเดรัจฉานเพราะเดรัจฉานนี่เขาก็ไม่รู้ว่าเขาทำบาปเดรัจฉานนี่เขาต้องกินสัตว์เล็กสัตว์น้อยเพื่อการดำรงชีพของเขา มนุษย์ก็เหมือนกันถ้าไปทำแบบเดรัจฉานใจของตนเองก็เป็นเหมือนเดรัจฉานพอร่างกายของมนุษย์ตายไปหมดไปก็จะได้ร่างกายของเดรัจฉานมาแทนที่นี่คือเรื่องของกฎแห่งกรรมเพราะฉะนั้นเราไ ม, ม่สามารถที่จะอยู่เหนือกฎแห่งกรรมได้ไม่ว่าจะมีเหตุผลอันใดก็ตามนอกจากการกระทำโดยไม่มีเจตนา เท่านั้นเช่นอย่างที่พูดไว้ถ้าขับรถไปชนสุนัขโดยที่เราไม่มีความตั้งใจสุนัขเขาวิ่งมาชนเราเองอันนี้จะไม่มีกรรมกับเรา <c oughs> นี่คือเรื่องของกฎแห่งกรรมถ้าเรามีความเชื่อในกฎแห่งกรรมแล้วเราก็จะมีจาคะเราก็จะยินดีที่จะเสียสละเพราะ ทรัพ ส, บสมบัติเข้าของเงินทองประโยชน์สุดต่างๆที่เรามีอยู่นี้ถ้าเรามีมากเกินไปมันก็ไม่เป็นประโยชน์อะไรกับเราเก็บไว้ก็เป็นภาระเปล่าๆตายไปก็เอาไปไม่ได้แต่ถ้าเราเอามาแจกเอามาจ่ายมาทำบุญให้ทางเราก็จะได้บุญไปกับเราบุญนี้เป็นสมบัติที่แท้จริงของเราทำบุญเท่าไหร่เราก็จะได้บุญไปเท่านั้น เวลาไปเกิดในชาติหน้าผู้ที่มีบุญก็จะมีความสุขมีความเจริญกว่าผู้ที่ไม่มีบุญดังนั้นพอเรามีความเชื่อแล้วเราก็จะมีจกักกะมีการเสียสละเราจะมีสี่งเพราะว่าเราเชื่อว่าการทำบาสนี้ทำให้เราจะต้องไปใช้ใช้หนี้ใช้กันเราก็จะพยายามไม่ทำบาล ด, ด้วยการรักษาสีหน้า คือไม่ฆ่าสัตว์ตัดชีวิตไม่ลักทรัพย์ไม่ประพฤติผิดโดยนิ่ไม่พูดปดไม่เสพสรายาหมาถ้าเรารักษาศีลห้าได้ตายไปเราก็ไม่ต้องไปเกิดในอบาปไปเกิดเป็นในสุคติตามกำลังของบุญที่เราทำมาตั้งแต่ชั้นเทพขึ้นไปสู่ชั้นพรหมสู่ชั้นพระอริยเจ้าทั้งหลายเกิดจากการทำบุญ คือการเสียสละและข้อที่สคือคุณสมบัติที่เราควรจะสร้างให้เกิดขึ้นก็คือปัญญาเราต้องคิดด้วยเหตุด้วยผลมองอะไรต้องมองด้วยเหตุด้วยผลอย่างที่ได้แสดงไว้ในเรื่องต้นเช่นเรื่องของกฎแห่งกรรมเราต้องใช้เหตุใช้ผลว่าทำดีต้องได้ดี ทำบาปต้องได้ผลไม่ดีไม่ใช่ทำดีแล้วได้ผลดีอันนี้เป็นไปไม่ได้อาจจะเป็นการบังเอิญบางเวลาแต่มันไม่ได้เป็นความจริงเราต้องใช้ปัญญาไขควรอยู่เสมอว่าชีวิตของเรานี้เป็นชีวิตที่ไม่จีรังถาหวอเพราะว่าร่างกายของเรานี้ อยู่ในสภาพที่จะต้องแก่ต้องเจ็บต้องตายไปเราต้องใช้ปัญญาที่พระเจ้าทรงสอนว่าร่างกายที่เรามีอยู่นี้ไม่ใช่ตัวเราของเราเราได้ร่างกายนี้มาจากพ่อจากแม่เราเป็นดวงวิญญาณดวงจิตที่ออกจากร่างกายเก่าที่ตายไปแล้วเราก็มาได้ร่างกายอันใหม่ ที่จะต้องแก่ต้องเจ็บต้องตายต่อไปเราจึงไม่ควรที่จะไปหลงยึดติดกับร่างกายอันนี้เราต้องคิดอยู่เสมอว่าเรามีความแก่เป็นธรรมดาเรามีความเจ็บไข้ได้ป่วยเป็นธรรมดาเรามีความตายเป็นธรรมดาล่วงพ้นความแก่ความเจ็บความตายไปไม่ได้แต่เราไม่ได้ตายไปกับร่างกายเพราะเราเป็นใจ เราเป็นผู้ที่มาควบคุมบังคับสั่งให้ร่างกายทำอะไรต่างๆตามที่เราต้องการใจคือผู้รู้ผู้ที่คิดผู้ที่สั่งการใจนี่แหละเป็นผู้ที่ไม่ได้ตายไปกับร่างกายแต่จะต้องเป็นผู้ไปรับผลของของบุญแลกของบาป ท, ที่ใจได้สั่งให้ร่างกายทำ นี่คือปัญญาที่เราควรที่จะคิดอยู่เรื่อยๆเตือนสติอยู่เรื่อยๆเตือนใจอยู่เรื่อยๆเพื่อที่เราจะได้ไม่กล้าไปทำบาปเพื่อที่เราจะได้ทําบุญให้มากๆเพราะถ้าเราทําบุญได้ในระดับของพระพุทธเจ้าในระดับของพระอรหันต์เราก็จะได้ไม่ต้องกลับมาเกิดใหม่ไม่ต้องกลับมาแก่มาเจ็บมาตาย อย่างที่พวกเราเป็นกันอยู่ในขณะนี้ระดับใดเรายังไม่สามารถทาบุญถึงระดับขั้นของ พ, ะพระพุทธเจ้าได้ของพระอราหันต์ได้เราก็จะต้องเวียนว่ายตายเกิดอย่างนี้ไปเรื่อยๆไม่ว่าจะเกิดในภพใดจะดีขนาดไหนมันก็จะต้องมีวันเสื่อมหมดไปมาเกิดเป็นมหาเศรษฐีเป็นพระเจ้าแผ่นดิน เป็นประธานาธิบดีเป็นนายกรัฐมนตรีมันก็ต้องแก่เจ็บตายเหมือนกันเวลาแก่เจ็บตายก็จะต้องทุกขทรมานใจเหมือนกันแต่ถ้าเราไม่ต้องกลับมาเกิดได้เราก็ต้องไม่ไมต้องมาทุกข์กับความแก่กับความเจ็บกับความตายกับการเวียนว่ายตายเกิดดังนั้นถ้าเราอยากจะทำบุญในระดับของพระพุทธเจ้าของพระอาหารหันต์ เราก็ต้องเพิ่มการทำบุญอีกข้อหนึ่งคือนอกจากการทำบุญล่างบาปแล้วเราต้องมาชำระใจให้สะอาดบริสุใจของเราทานนี้ไม่สะอาดด้วยกิเลสตัณหาเครื่องเศร้าหมองเราต้องมาชำระความโลภความโกรธความหลงมาชำระตัณหาความอยากต่างๆให้หมดไปจากใจ วิธีที่จะทำละก็คือจิตภาวนามีสมัตถภาวนาและวิปัสนาภาวนาสมัตถภาวนาก็คือทำใจให้สงบก่อนถ้าใจยังไม่สงบนี้ไม่สามารถเจริญวิปัสนาภาวนาได้เพราะใจยังยังมืดบัวอยู่ต้องทำใจให้สงบให้ใสก่อนพอใจสงบใจใส่แล้ว สามารถมองเห็นความจริงตามความจริงได้ก็ค่อยเอาวิปัสสนาคือสอนใจให้มองให้เห็นว่าทุกสิ่งทุกอย่างในโลกนี้ไม่เที่ยมเป็นทุกข์ไม่ใช่ของเราไม่อยู่ภายใต้คำสั่งของเราตอนนี้ใจของพวกเรายังคิดว่าทุกสิ่ ง, ท, งทุกอย่างเที่ยมเป็นสุขอยู่ภายใต้คำสั่งของเรา แต่ความจริงมันไม่ได้เป็นอย่างที่เราคิดกันถ้าเราใจไม่สงบจะมองไม่เห็นความจริงมันนี้ถ้าเราใจสงบแล้วพอสองใจว่าร่างกายไม่เที่ยงก็จะเห็นร่างกายเป็นทุกข์ก็จะเห็นร่างกายไม่ใช่ตัวเราของเราก็จะเห็นถ้าเห็นว่าเป็นทุกข์ไม่เที่ยงไม่ใช่ของเราก็จะไม่ยึดติดจะปล่อยวางพอปล่อยวางได้ใจก็จะไม่ชุกกับ ความแก่ความเจ็บอวามตายของร่างกายนี่คือวิธีที่จะชำระใจของเราให้สะอาดบริสุทธิ์ได้ต้องชำระด้วยการภาวนาส ม, มถาภาวนาและวิปัสสนาภาวนาส ม, มะถะคือทําใจให้ซักสงบวิปัสสนาก็คือทําใจให้ฉลาดให้รู้แจ้งเห็นจริงตามความเป็นจริง ให้เห็นว่าทุกสิ่งทุกอย่างนี้เป็นอนิจจังทุกขังอนัตตานั่นเองนี่คือการปฏิบัติของชาวพุทธเราถ้าเราอยากจะได้รับประโยชน์ของพระพุทธศาสนาเราก็ต้องมีคุณสมบัติของชาวพุทธอยู่สประการด้วยกันคือมีศรัทธามีจาคะมีศีลและมีปัญญา ถ้าเรามีคุณสมบัติทั้ง4ประการนี้แล้วผลคือความสุขความเจริญขั้นต่างๆก็จะปรากฏขึ้นมาตามลาดับจนถึงขั้นสูงสุดก็ขอฝากเรื่องของการมาวัดเพื่อมาเสรมสร้างคุณสมบัติของชาวพุทธทั้ง4ี่ประการนี้ให้ท่านได้นำเอาไปพิริพิ จ, จรารณาและปฏิบัติเพื่อความสุขและความเจริญที่จะตามมา